และตันหานั้นแปลว่าความอยากแล้วจะด้วยเหตุใดก็ตามต่อมาคนทั่วๆไปนั้นก็ไม่รู้จักแยกแยะรู้เข้าใจเพียงแค่ว่าตันหาคือความอยากและความอยากก็คือตันหาไปๆมาๆเลยเข้าใจคำว่าความอยากเป็นตันหาทั้งหมดและเข้าใจต่อไปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละความอยากหรือสอนไม่ให้มีความอยากใดๆเลยนอกจากนั้น